รู้สึกเทเลไลท์โดตัวเองก็เป็ น, ต น, น, นแต่เาหารเล็กๆคนหกึ่ ง, ง, งไปถึงคราวลบกับลบไปมันก็เป็นการแทรกกุศลธรรมเข้าไปให้มันก็ยิ่งชั่วขึ้นไะ้ที่มีการป้องกันอย่างนี้มันก็มนนันเป็นเที่เป็นจิดเป็นถูกนะเหมือนอย่างที่เราเราถามกันอยู่บ่อยๆ อ, อยู่เหมือนกันอย่างหนึ่งว่าถ้าปลวกขึ้นบ้านจะทําอย่าง ปลวกขึ้นบ้านจะทำอย่างไรเรื่อนี้ก็ตอบตอบเอาเป็นเด็ดขาดแทนกันยากเราก็ต้องสอนว่าถ้าเป็นเราเราทําอย่างนี้ถ้าเป็นคนอื่นจะทําอย่างไรนั้นเราเราไปบังคับก็ไม่ได้เพาะเป็นบ้านหนึ่งครับก็ต้องสอนให้เขารับผิดชอบตัวเขาเองว่าถ้าเป็นเราเราก็ป้องกันครับมีอะไรท้าป้องการใดก็ท้าป้องกันหรือต้องกั น, ก น, กนกได้อีกอย่น่นมันก็มีวิธีที่เราจะต้องกัน พยายามที่จะไม่ป้องกันด้วยการที่นำพาตัวเราเนี่ต้องไปค้าคนอื่ไปค่าตัดอืนเพราะว่าเราบ้านเราปลอดภัยชั่วการเดียวนั้นแต่ว่าเราอาจจะไปมีเวรมือกับในระยะหลังต่อไปมันก็เท่ากับว่าเราพิชักผลไปเพื่อพิทักตั ก, กแตนแต่ต้องไปเสียทางางเลยนะเสียีิละ่ะก็เหมือนกับหลายหายคนก็อย่างวันนี้มาแลุ้๊บอกัน แต่คนผี้คนหนึ่งเขาเมื่อก่อนก็ฟังธรรมะตอนเย็นที่โยพุตรที่ผมเคไปพูดเื่องการบังขา่าวก็มีความคิดมาอย่างคนมีความคิดนึกอะไรก็ตั้งมามเขาก็ไม่เคยมาปรึกษานะเคมาคุยก็เลยมานั่งฟังแบบร้อยๆนะแต่ก็ไม่รู้มีกางหลังก็ ก็ื่เลยร์ยวาตอนนั้นไปทำอะไรก็รู้สึกว่ามันมีอยูร่รต่มีปัญหาหมดไม่รู้เขาเป็นลูกไปไปเกิดว่าตอนหลังก็มาปฏิบัติธรรมแล้วก็หนอยใช้ชีวิตตอนหลังนประมาณสามปีสองปีกันปีมาแล้วเกิดคั้งสุดท้างก็รู้สึกไม่ได้ถึงว่าเขาเข้ามาทางนี้อย่างนดียน่จะได้ความว่าเขามีเวนไม่กลับเกี่ยวกับปานอภิบาลจะพูดยังไงว่าเป็น พู้จัดการควบคุมโลงคาดปโละงคาดป ะ, ดปะ ต, ตัวเองก็มีเงินมีทอมีรายได้เยอะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร ต, ต่อมาก็มาเกิดปัญหาเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดหายนะคือเงินทออะไที่หามาได้ก็ต้องมาเสียก็ลรคภยไข้เจ็บขวัญขวัก็ขวัญมดีพอ่างไรขวัญมดีพอกลายเป็นคนที่ดูลักษณะแกลกไปเลย ไม่ไม่สประกอบในทางไหนเท่าไหร่กวนก็มังนใจไปนะฮะทีนี้ก็ช่องตเข้ามาทอนนี้ก็ดีนะก็ดีก็คงว่ า, าแต่อย่างการต่อไปก็อาจจะชีวก็จะให้ใยๆสูงได้ื อ, อถ้าพูดถึง ว, ว่าไอตอนนั้นคือเขากำลังไ ด, ด้มีสุจริตทำบาปเนี่ยใครไปพูดเบโคงถือว่าเป็นพวกขัดประโยชน์นะใครมาแย่งคชิงตำแหน่งเข้ า, ขขาไปเขาก็คงจะรู้สึกว่าเป็นพวกแวกย่งปรนโยชน์ครับทีนี้ก็เมื่อตัวเองออกมาแล้ว พเพื่อนก็ไแต่ก็ไปไปทําอยู่อจริงๆอ ะ, ะไรทําอยู่นี่ตัวก็ไปบอกว่าอย่าทำเลยทําแล้วก็ต่อไปมันมีเวรมีกรรมอย่างนันง้นอย่างนี้เพื่อนเขาก็ตอบหน้าตอบม า, ามเออัเรื่องอะไรเรื่องอะไรใหญ่เขาต้องไปเป็นอย่างตัวอย่างตัวเองอย่างเพื่อนทุกเขามีความสุขมีเงินเดือนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ แสวงหาความสะดกสบายในปัจจุบันนี้แสวงหาเนี่ยก็มีเรื่องอะไรมาพูดเลยเขาจะต้องเสีงินะไรเสียอย่างนะเขาก็ไม่เชื่อแต่เสราะั้นนก็ก็ต้องรอกันไปรอกันไปว่าสิ่งที่ได้มาเนี่มันจะคุ้มกับสิ่งที่จะมีจะต้องเสียเสียที่หลังหรือไม่ซึ่งตรงนี้นเนี่ยเราก็ไปบังคับอะไรได้ไม่ได้คนทุกคก็ต้องเลือกเลือกเอาจากความเข้าใจความรู้ ในเรื่องชีวิตจิตใจของตัวของตัวเองนะที่เราเข้าใจเพระนันบางทีเนี่ยเราไม่เอาผลประโยชน์หรือยอมสูญเสียผลประโยชน์อันนี้ก็เพื่อที่จะรักษาความสวัสดีของชีวิตจิตใจไว้เราก็ยอมละเลยบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะรักษาบางอย่างที่สาคัญไว้แต่ว่าถ้าไม่เขาจแล้วางทีเราก็ยอมที่จะรักษาบางอย่างไว้ที่มันไม่สาคัญ กับยอมสูญเสียสิ่งที่สำคัญกว่าก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ใครจะเข้าใจอะไรได้แค่นั้นคนอื่นเ้าก็มารับรองแทนแล้วไม่ได้เราก็จะไปรับประกันใครเขาจะจริงจงมากนักก็ไม่ได้ป็นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นข้อแยกต่าง การวิีการรักษาอะไรที่จะต้องใช้ความสามารถในทางบาัตการรักษานั้นไม่ถูกแล้วก็เสียหายถ้าเรามาพูดกันอย่างเป็นตัวอย่างในทางจิตสมมติว่าเราจะรักษาผลประโยชน์อะไรก็ได้สมมติว่า เ, เกิดการแย่งลักอสวรรค์ แล้วคนหนูก็มีความคิดว่าเราจะรักษาผลประโยชน์คือความรักความสวัสด์ของเราไว้เนี่ยก็โดยการทำลายกันอ่นเช่นเอาน้ำตรดไปสาดหน้าคนอื่นอย่างที่เป็นข่าวกันนานๆครั้งเมื่อคนนั้นเสียโฉมแล้วให้คนของตัวก็ไม่ไปเรียวรักเขานะหรือไอ้ที่รักอยู่ก็มันก็สินรักมนะัน เรียว่าสรุปแล้วก็คือว่าตัวเองรักษาคนที่ตัวรักไว้ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมหรืออย่างในรายหมอที่นี่ที่ต่างจังหวัดที่เขาถ่ายลูกให้เราได้สรดปตรงนี้แม่ตูวยิงตายลูกไปการเดียวันบแม่ตัวไปมีคว า, ามรักใหม่เคิื่คิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้เ ร, ราไปอยู่กนินกับคนใหม่ มือปืมาฆ่าภรรยาซึ่งมีลูกแล้วเนี่ยเสียชีวิตแล้วบนนส้จะเป็นไงรักษาผลประโยชน์ไได้มันตัวก็ต้องไปอยู่ในคุกในตลาดอันนี้มันก็อย่างเราเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่พอทันยิดเือคือรักษาประโยชน์นั้นได้ไม่ได้ด้วยวิธีการกระทำอย่างนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ ไม่ทันใจนะฮะคือบางทีมันก็ทันใจไอการรักษาแบบเนี้ยแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ทันใจสําหรับคนบางคนว่าถ้าเรามัวมันนั่งนึกถึงไอความถูกความต้องในทางศีลธรรมทางจริยธรรมเนี่ยมันก็ไม่ทันใจเราแต่ว่าทันใจในงทีมันก็ทันไม่นานนะไอผลร้าธมันก็ทันใจเหมือนกันนะอย่างที่ว่าคนที่ไปทําเสน่ห์คุณใส่เย่ยง คนอื่นให้เขาออกจากกันและตัวเองก็เข้าไปดิ้แย่งกันมา <S S ือ้ชายเย้อแยรงนี้หญิงู้หญิงดิ้อแย่งผูชา ย, ย, ย, ย, ยก็ดีหรือว่าทำสเสน่ห์ยาแฟดไปทำให้คาราบไม่อยู่กับตัวและในที่สุดนี้มันมาเจ็ดถึงความวิักกิหลัาใช้เพื่จะเป็นที่พูดถึงกันในที่เรียบร้ ลำดับคนที่ออกขใจเรื่องพวกนี้มันจริเป็นเรื่องของการทําลายผลประโยชน์ไม่ใช่เป็นการทักษาผลประโยชน์ไ อ, อ้สิ่งทําลายนี้มันอาจจะมาในรูปไก่รูปหนึ่งก็ได้เราจะไล่เราต้องการจะได้ที่คืนแล้วก็ไปเผาบ้านคนที่เข้ามามาเช่าอยู่แล้วก็ดูแป้งไม่ยอมไปก็เลยเผาเขา ตัวเองก็ต้องมาได้รับเกณฑรับกรรมที่ ป, ป, ป, ป, ปันแัยนั่แหละครับที่หลังจำลองอย่างนี้นะก็เป็นกรณีตัวอย่างอย่างที่เราเชื่อกรรมแล้วก็มองมองแล้วก็วิเคราะห์วิจัยเอาเอาละก็จะมาเริ่มที่การปฏิบัติทันที ตอนนี้ขอให้ทุกคนนั่งในท่าที่สบา ย, บายนะแล้วก็สงบจิตหลับตาข้าวของก็า ว, วางไว้ข้างตัว 冰晶段。 อยู่ในนักสมีเกี่ยวข้อมก็จะคอยแคล้ฆ่าไปด้วยรอะว่าให้เมตตาธรรมของผู้ที่แผ่คุ้มครองตยเองนั้นปุกแผ่ไปถึงบุคคลอื่นแต่แต่ข่าวของเครื่องใช้การแผ่คุ้มครองอย่างนี้เวลาที่พระอริยะหรือพระที่ท่านได้ ที่จิตทั้งสูงเมื่อท่านจะเข้าสมาบัตินานๆท่านจะแห่จิตคุมตัวแล้วก็คุมคุ้มของของท่านและเลื้อคุ้มคลองสิ่งที่อยู่ในหลักผิดชอบของท่านว่าเมื่อท่านอยู่ในสมาธิขอให้สิ่งที่ เป็นของของท่านของที่ท่านควรคุ้มครองจงคาดแก่ละปลอดภัยและถ้าความสมาธิจิตดีเนี่ยครับถึงแม้ว่าไฟจะไหม้ก็ไม่สิ่งที่ท่านอธิษฐานจิตไว้ไม่ได้หรือไม่เข้ามาไม่ถึงรัศมีที่ท่านแผ่จิตคุ้มคร อ, องไว้หรือ ผู้ที่ท่านปรารนาจะคุ้มครองในระหว่าง น, นั้นใครจะไปทำอันตรายไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นภารกิจที่ผู้เข้านิโรกสมาบัติเข้าผลสมาบัติเนี่ยจะต้องแสกิดไปอย่างนี้เราสามารถที่จะนำเอาวิธีการอย่างนี้มาใช้กับตัวเราเอง ให้เป็นนิสัยขอให้ท่านจิตคุ้มคลองตัวแต่เมตตาจิตคุ้มคลองตัวซึ่งเป็นอันเดียวกันโดยการนึกถึงตัวเองทั้งตัวในขณะ น, นี้นึกถึงตัวเองที่นั่งอยู่ในขณนะนี้ ไม่ต้องไล่เลียงอวัยวะไม่ต้องไล่เลียงส่วนเพียงแต่นึกและสร้างเจตจำนงขึ้นว่าขอให้ข้าพาเจ้าจงได้รับการคุ้มครองป้องกัน เมตตาสมาธิร่างกายและจิตใจของข้าพเจ้านี้จงได้รับการคุ้มครองจากเมตตาสมาธิที่ข้าพเจ้าจะเรินให้เกิดมีและ คุ้มคองตัวอยู่ในขณะนี้การลึกแผ่คุ้มคองอย่างนี้เป็นการทำอย่างง่ายที่สุดถ้าเราปรารถนาจะแผ่ให้ปลอดภัยจาก ที่เราต้องการให้ปลอดภัยนั้นถ้าเรากำลังนั่งอยู่บนยานพาหนะหรือจะขึ้นยานพาหนะหรือจะข้ามถนน กำลังอยู่ในสภาพนั้นๆดังกล่าวอยู่ก็ดีหรือแพร่ร่วงหน้าเล็ดร่วงหน้าทำสมาธิจิตกาหนดจิตให้เป็นสมาธิแล้วแพรปกป้องตัวเองร่วงหน้าววา เรากําลังเดินทา ง, ก, า ง, ทา ง, างทกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศกําลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดกาลังเดินทางกําลังจะเดินทางไปสู่ที่ที่มีความเสี่ยงอย่างใดอย่างนึ้ง ให้แพ่คุ้มครองตัวเองไว้ล่วงหน้าทำความปรารถนาในใจว่าขอให้อัตภาพนี้ตั้งแต่ศรีศรษะจรลดปลายเท้านี้ที่กำลังนั่งอยู่นี้หรือกำลังเดินอยู่ กำลังเคลื่อนที่ไปบนยานพาหนะนจงปลอดภัยจากอันตรายจากการเดินทางอุบัติเหตุ แต่าอย่างเล ซึมแทรกเข้าไปทำความปลอดภัยให้เกิดขึ้นทำความปลอดภัยให้เกิดขึ้น p uh a -huh. เมื่อพุ่งเข้ามาหา ยีงไม่ดู เป็นจุดอ่อนในทางวิบากหรือเป็นจุดที่อาจจะเกิดภาวะเสี่ยงขึ้นได้ในกาละในเจษะหรือในกรณีอุกิจนั น, น แม้ว่าเรากำลังจะได้ยินอยู่เราก็จะรู้สึกว่าเสียงนั้นไม่มีพลังซึมสับเข้าไปสู่กระแสจิตของเราไม่ย่มยีจิตของเราหรือทำให้ผู้ที่เปล่งเสียงนั้นออกมามีอันจำต้องหยุดหรือต้องไม่ เราได้อีกหรือไม่พูดกับเราเช่นนั้นอีกเป็นการรักษาจิตใจให้พ้นจากความทุกความเดือดร้อนหรืออันตรายจากเสียงที่ไม่น่าชอบใจ และเป็นการตอบโต้อย่างประเสริฐที่สุดแก่ผู้ที่ด่าเราเมื่อเราจะเข้าสู่บ้านถ้ามีคนที่บ้านพูดไม่ดีหรือคนข้างบ้านพูดไม่ดีหรือเมื่อเราจะไปสู่ที่ทำงาน ที่คนในที่ทำงานพูดไม่ดีก็ให้แพร่คุ้มครองหูของตัวเองไว้ ถึงในกรณีอื่นๆของบุคคลแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน God. ในที่มีสมาธิส ที่ในขณะนั้นเขาอาจจะนั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับเราอยู่บนยานพาหนะเดียวกับเราอยู่ เวลาทำงานเข้าควรจะยืนอยู่ให้เรานึกถึงตัวเข้าให้ชัดเจน นานแล้วแล้วเราๆสมาธิเราก็จะเพิ่มขึ้นพลังก็จะมากขึ้นและจะมีผลทั้งคัศนคติคือความรู้สึกที่เกิดขึ้น สมควรแก่กำลังอำนาจและพื้นฐานกรรมของเขาด้วยแต่สิ่งที่จะเห็นได้ก่อนและหวังผลได้มากคือทัศนคติที่ดีจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเขากำลังมีความเดือดร้อนใจคือมีกิเลสภัยเกิดขึ้น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 เราแพ่คุ้มครองป้องกันทั้งกายคือป้องกันทั้งอันตรายภายนอกและอันตรายภายใน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 คนที่ไม่มีจิตเกื้อกูลให้แผ่สำทับไปที่บุคคลผู้นั้นให้อำนาจความปรารถนาดีของเราซึมซับเข้าไปสู่ตัวครับจนเกิดอำนาจคุ้มครองที่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 เป็นจังและมั่นใจมากยิ่งขึ้น ที่นั่งหรือที่นอนจอากที่นั่งที่นอนแพ่ออกไปจนถึงขอบห้องเคหเขตบานและที่ทำงานหรือที่ที่เขาจะไป โลงที่หลั ก, กว่าให้ร่างกายและจิตใจของเขาได้รับการคุ้มครองและตัวเราเองผู้แพ้ต้องทำความรู้สึกว่าเรากำลังให้การคุ้มครองแก่เขาผู้นั้น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 ไปดูให้รู้แน่ว่าอยู่หรือไม่อยู่ได้โดยทันทันทีหรือแม้จะมีสภาพเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อนึกได้ก็ให้แผ่อย่างนี้โดยนึกถึงภาพของนั้นแล้วก็สง่งจิตเข้าไปคุ้มครองทันทีอธิษฐานคุ้มครองทันที ระวังอย่าให้ใจเร่าร้อนหลดหลานการทำอย่างนี้สิ่งแรกที่จะได้คืนก็คือเราได้หวันกำลังใจหรือได้จิตใจของเราคืนมาได้การมนสิการว่าถ้าของนั้นจะเป็นของเรา ขอให้ได้กลับข้าพเจ้าขอแพ่จิตคุ้มครองของที่เป็นสิทธิของข้าพเจ้านั้น